จตุทะปาติเทสนียสิกขาบทว่าด้วยการรับของเคี้ยวของฉันจากทายกที่ไม่ได้แจ้งไว้ก่อนเรื่องคนรับใช้ของเจ้าสกยะ570สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณนิโครทารามเขตกรุงกบิลพัทแควนสักกะครั้งนั้นพวกทานของเจ้าสกยะก่อการร้าย พวกเจ้าหญิงสกยะปราถนาจะจัดพัทหารไว้ถวายภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะป่าพวกทานของเจ้าสกยะได้ฟังข่าวว่าพวกเจ้าหญิงสกยะปรารถนาจะจัดพัฒหารไว้ถวายภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะป่าจึงไปดักซุ่มที่หนทางพวกเจ้าหญิงสกยะนําของเคี้ยวของฉันอันประณีตไปยังเสนาสนะป่าพวกทานของเจ้าสกยะจึงออกมาปล้นและทําร้ายเจ้าหญิงสกยะพวกเจ้าสกยะออกไปจับ พวกโจรได้พร้อมของกลางแล้วตำหนิประนามโพลธนาว่าชไนพระคุณเจ้าทั้งหลายจึงไม่บอกว่ามีพวกโจรอยู่ในอารามเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกเจ้าสักยะตำหนิประนามโพนธนาครั้นแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ